แม่ยิ่งคำคายว่าถ้าเธอไม่พูดกับแม่แม่จะฆ่าตัวตายลูกก็ไม่สนใจจริงอยากจะเชื่ออยาจะเอาชนะรือไม่ิชื่อแม่จะทำอย่างนั้นจะได้เพาแม่ก็ฆ่าตัวตายอันนี้เพระแม่ไปรู้สึกว่าในลูกเป็นของฉันแต่ว่าในสุดก็กลับต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพของลูก ลงกไม่พูดด้วยก็เกนนจ็บช้าน้าใจน้อย อ, อกน้อยใจจนกระทํางทายตัวเนี่ยอาจจะคิดว่ารูปเป็นของเราแต่กลายมาเราตกกลายเป็นของรูป เ, เราปล่อยให้ชีมของเราตกอยู่ภายใต้ภายใต้การกระทําของเขาหรือตกอยู่ภายใต้การ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 เพราะว่ายังอยากได้อยู่เสมออยางได้นยในความเป็นจริงมันมันจะตาลปัดอย่างนี้แหละดังนั้าเราไม่อยากเป็นของไม่อยากเป็นของอะไรเลยเราไม่อยากเป็นของของบ้านของทรัพย์สมบัติเราก็อยาาไปสำคัญมา้างหมายว่ามันเป็นของเรา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 ไม่ได้เป็นเศษต้นับที่ไม่เป็นเศษเงินทองทุาศาสนาพยานแล้วว่าความสุจริตซับมีไหมก็มีประโยชน์แล้วก็จําเป็นสุจริตการใช้ทซั์สุจริตการไม่เป็นหนี้ทุาศาสนาไม่ปฏิเสธแต่อที่ว่าเราจะมีท่าทีกับทรพทัพย์อย่างไรคือมีได้นะแต่ว่าต้อง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 แต่ท่านี้ไม่พอแล้วก็ต้องรู้จักวางใจให้ไม่ไม่เป็นทาาวางใจเป็นสลับกับสัตว์สิบทรัพย์สิ บ, สบสดังนี้ก็หมายความว่าเออถ้าเงินหายถูกขโมยไปก็ไม่ทุกไม่ร้อนหรือว่าเราให้เขาไปแล้วเขาเอาไปใช้ในทารที่ไม่ถูกต้องอันนั้นเราก็ต้องทับใจ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 เจะพอเราไม่ได้ใช้เงินตามที่แกต้องการแกก็ทุกขคอยมาคอยมาพูดคอยมาต่อว่าเลยกันอันนี้เรียกว่าทำบุญแล้วก็ได้บาปไปแต่เพราะว่ายังไม่ละวาคื อ, อประโยชน์อมการให้ทานเนี่ยวัตถุประสงค์การให้ทานเนี่ยมันไม่ได้ ห, หมายถึงบุญที่เป็นคะแนน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 ถ้ายังสืเป็นเงินของฉันอยู่มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าถุะสงการให้ทานคนไม่เข้าใจทานในความหมายว่าเพื่อละเพื่อฝึกฝนให้เรารู้จักรักรู้จั ก, กวางซึ่งอันนี้มันเป็นประโยชน์ท่านปลมัดิยู่ส่วนประโยชน์ในเรื่องของขั้นสวรรค์อันนั้นมันก็อาจจะกิดจกบุญที่ได้ทำทำบุญไปกม ก, ก็ได้สวรรค์อยู่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 หรือก็เป็นเลือดพระรามคุณก็ไปดูแลอันนี้คิดแบบง่ายๆ ย, ยังไม่ลองคิดไปถึงท่านตัวกูของกูก็ได้แต่มันก็ช่วยลดละความคิดมากถึงมันในตัวกูของกูไปได้แต่ถ้าเรามีปัญญาจกนกระทั่งเห็นว่าเออมันไม่ใช่ของเราจริงๆนะเพราะว่าไอ้ตัวเรามันก็ไม่มีอยู่แล้วเริ่มันจะมีอะไรที่เป็นของเราได้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 ไปเคลมหรือไปควบมุมหรือไปเทียดลองผักใส่ได้เพราะว่าเหตุการณ์เยอะไปหมดก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของตัดถัดตาไปเนื้เมื่อมันเสร็จสมบูรณ์ก็ยิ่งชัดเจนว่ามันเป็นของตัดถัดตามเป็นธรรมชาติที่เขเข้าไปทีนี้ใครจะมาวิจารใครจะมาต่อว่าใครจะมาตาหนิ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 ก็ต้องทำใจปล่อยวางไปเออก็ทำได้แค่นั้นเราทำเต็มที่แล้วก็ทำได้แค่นั้นแล้วก็แก้ไขไม่ได้ก็อันนี้เรียกวุเบกขาเป็นอุเบกขาที่เป็นความประมาทที่เกิดจากการใช้ปัญญาเจริญนาจนกระทั่งถึงขั้นที่รู้ว่ามันไม่ใช่ของลอกเป็นของธรรมชาติางนเนี่ยลองฝึกสายลองวิจัยดูดีในควยมเป็นจริงรอง ล, ม, ลมก็มันก็ดูมันมันประหลัดปหลาด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 พอเราสละทุกอย่างให้แก่โลกทุกอย่างในโล ก, กอา ก, ก, กาศเด่ของเราการทีนี้โอ้ยเรียกว่าพอสละไปแล้วนี่ยพวกอะไรตอนอะไรก็ไหลามาเทมามีแต่ต้องปฏิเสธนั่นก็เป็นอย่างจริงนะนับบวชหรือว่าละที่มีกายใดต่ามที่ปฏิเสธไม่เอาจะสมบัติอย่างในสมัยก่อนมีศาสนามีมีกายฟราศริษณ์มีกาย กายมันิกายเบนดิกตินพวกนี้เนี่ยไม่เอาอะไรเลยครับเป็นนักบวชแต่ถือที่ขาดจารแห่งฟราติสการนีนักบุญอาซิซิ่นเป็นนิกายฟราติกรไม่เอาอะไรเลยแม้กระทั่งเดินทางก็ต้องเดินด้วยเท้าคนก็สัจธานักถือมากก็เลยอุยเอาอะไรมาให้เป็นการใหญ่ทั้งเงินทั้งทองทั้งที่ดินพอก็ว่ารวย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 ฟาสิสก์กลนเลยกายเป็นิกายที่ไม่เหมือนไม่ได้ไต่ทไ่กา ย, ใใกายอยู่ทั่วไปเ น, นเรื่องเนี่ยทั้งหมดนี้ก็มันโยมนในเรื่องของตัวกลวงกูเสียมาคกกือต้องละตัวกลวงกลวให้ได้โัเกณฑ์บอกตัวเกณฑ์นี้เป็นนัก บ, บวชเป็นพระนิกายกกเซนนิกายนิวบวชการศึกษาตนการรู้จักตนคือการลืมตน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 ก็ยึดที่เท่านี้ก็ทำสำเร็จ